ข อ, อนอบน้อมพระรัตนาตไัยข อ, อกาสพระอาจารย์วัฒชัยแล้วก็เพื่อนสะธรให้ทุกท่านอาจจะเดินพอรอแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกคนนะก็นั่งฟังกันตามสบายเนาะนะตั้งใจฟังนะแต่ก็ไม่ต้องพยายามคิดให้เข้าใจอะไรมากเนาะให้ฟังให้เอาใจ เอาใจให้มันเข้าใจนะให้มันเข้าใจถึงใจของเรานะไม่ได้ฟังเพียงแค่คำพูดนะแต่ลองดูว่าสิ่งที่ได้ฟังเนะี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของเราไหมนะเกิดขึ้นกับกายของเราไหมนะเพราะเวลาเราปฏิบัติธรรมเนะี่ยครูบาอาจารย์ก็จะบอกให้เราย้อนกลับมาดูดูร่างกายหรือว่าดูจิตใจของเราเองเนาะ เพราะว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจนี่แหละนะการปฏิบัติธรรมก็คือการกลับมากลับมาดูความจริงที่มันที่มันปรากฏในกายในใจนี่แหละนะความจริงมันคืออะไรนะเราก็ต้องดูลงไปเรื่อยๆนะดูลงไปเรื่อยๆแต่ก่อนเราก็คิดว่ากายคิดว่าใจเนี้ยมาเป็นมาเป็นตัวเป็นตนของเราเนาะ เราเข้าใจอย่างนั้นนะเรารู้สึกอย่างนั้นนะเรารู้สึกว่าร่างกายเนียนะมันเกิดมาจากท้องแม่เราก็เป็นทารกเราก็โตขึ้นมาเราก็จนอายุขนาดนี้เนียมันก็คือเราทั้งนั้นแต่เป็นเราที่พัฒนาการเรื่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆนะร่างกายนี้มันก็เป็นของเรานะถุดท้ายร่างกาย ของเรามันก็จะแก่ก็จะเจ็บก็จะตายไปแต่ถ้าเราจะมีความเข้าใจเช่นนี้เนาะเมื่อร่างกายมันทุกข์นะเราก็ทุกข์ด้วยนะเมื่อร่างกายมันตายเราก็รู้สึกว่าเคว้งคว้างนะเราก็จะทุกข์มากนะแต่ถ้าเราภาวนานะก็เพื่อให้เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่เราอย่างไรนะการที่เรามา ภาวนาเช่นการเจริญสติแบบนีน้มันจะทำให้เราเห็นอย่างเรานั่งอยู่นะเราก็รู้สึกถึงการนั่งแต่บางทีก็มีความปวดความเมื่อยความเจ็บเนะเข้ามาแทรกนะอันนี้ก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายบางครั้งร่างกายมันง่วงนอนมันก็เป็นของมันเองนะเราอยากจะให้มันหายง่วงเราก็สั่งมันไม่ได้ เราสั่งให้มันหายเจ็บหายปวดหายเมื่อยบางทีก็สั่งไม่ได้นะแต่บางทีเราก็ช่วยมันได้บ้างนะไปพักผ่อนไปกินยาไปอะไรก็แล้วแต่แต่มันก็เป็นเพียงแค่เหมือนเราบรรเทาอาการเนาะเราบรรเทาอาการเราเป็นโครคภัยไข้เจ็บนะแม้เราอยากจะให้มันหายนะไม่อยากให้มันเป็นแต่มันก็ใช่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราบังคับ หรือว่ามันจะเป็นตามที่เราอยากได้นะเราก็ดูไหมเวลาเราดูกายนะมันก็ต้องเห็นกายในกายนะกายในกายไม่ใช่เห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนื้อหนังของเรานะนะแต่เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะความจริงที่เกิดขึ้นกับกายนี่แหละนะเป็นเวทนาเป็นสุขเป็นทุกขนะ์เป็น ใจรักที่มันแสดงอยู่ในกายของเรานะี่แมันเป็นแบบไหนนะเราต้องดูเขาเห็นกายในกายแล้วเนะี่ยการเจริญสตินะมันจะทําให้เกิดปัญญาเกิดวิปัสนาญาณก็ตรงนี้แหละนะเราไม่ใช่เจริญสติเพียงแค่รู้สึกนะถึงกายเคลื่อนไหวแต่ไม่รู้ว่านะในกายเนี่ยมันเป็นอะไรนะมันก็ไม่ได้เนาะนะอันนั้นมันก็แค่รู้ ในการเคลื่อนไหวแต่มันก็เป็นเบื้องต้นที่เราควรทำก่อนนะแต่พอเราทําไปเรื่อยเราจับความรู้สึกตัวได้นะแรกๆเลยเนะี่ยปฏิบัติทมจับความรู้สึกตัวให้ได้รู้สึกแบบไหนรู้สึกที่ปัจจุบันกนะายนั่งกายยกมือกายเดินกายกินกายนอนนะให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของร่างกายเนาะ แต่ให้มีใจที่มีสติคอยดูมันอีกทีให้ใจที่มีสตินะ่ะคอยรับรู้เฉยเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูให้พยายามรู้สังเกตว่าไอ้กายที่เคลื่อนไหวก็ส่วนหนึ่งใจที่รับรู้ก็ส่วนหนึ่งพยายามสังเกตนะแยกกันแบบนี้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะแม้เอาเราอยากเราจะยังเห็นไม่ชัดเจนนะักแม้เราจะไม่เข้าใจ ชัดเจนนักแต่ก็ให้ดูแบบนี้นะโยมนะอย่าไปพยายามที่ไปเพ่งจ้องหรือว่าไปบังคับมันมากเกินไปนะไม่ต้องไปตามจดจ่ออยู่ที่มืออยู่ที่เท้าอยู่ที่ลมนะให้เรารู้สึกตัวแบบสบายสบายรู้สึกตัวแบบรมรวมนะไม่ใช่ไปรู้สึกตัวที่จุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนะการรู้สึกตัวเนี่ยเขาเรียกว่าบางทีเขเรียกว่า ให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะให้รู้สึกแบบสบายสบายรู้สึกแบบผ่อนคลายไม่เพ่งไม่จ้องเราก็รู้สึกตัวเนะี่ยกับการที่เราทําอะไรก็แล้วแต่รู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเนะี่ยเราจะเห็นเลยว่าบางครั้งนะเราก็ตั้งใจเกินไปนะถ้าเรารู้ตัวว่าเราเผลอไปตั้งใจเกินไปมันก็จะปรับได้เนาะ เราเคร่งเครียดเราจริงจังเราเผลอไปจ้องแล้วเราก็จะผ่อนคลายได้นะหรือบางทีเราก็รู้สึกกับการยกมือไปแต่บางทีก็เผลอเผลอไปคิดเผลอไปคิดอา้าเราลืมตัวเนาะว่าเราเผลอไปคิดนะนัะนะเราก็กลับมากลับมาจากความคิดมาอยู่กับการยกมือต่อแบบนี้ก็ได้ ถ้าเรารู้สึกตัวทั่วพร้อมจริงๆเนาะมันจะทําให้จิตใจมันเป็นกลางจิตใจมันกลับมาได้ของมันเองเหมือนมีคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ตะมาฟังนะเขาบอกเขาไปเข้าคอร์สแล้วก็ทํากิจกรรมเนาะนะอาจจะไม่ได้ภาวนาแบบเต็มรูปแบบก็เป็นเรื่องสัมมนาบ้างเป็นภาวนาบ้างก็มีกิจกรรมหนึ่งนะเขาบอกให้ให้ลองทบทวนดูว่า อะไรที่ทําให้คุณรู้สึกคล้ายๆไม่พัฒนาหรือไม่ก้าวหน้าของแต่ละคนเนาะเขาก็ตอนแรกก็ใช้ความคิดตอนหลังก็อื้งอะไรนเนาะเขาก็เลยเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทําให้เขาไม่ค่อยก้าวหน้าคือความกลัวนะความกลัวเขาก็กิจกรรมเขาก็บอกไม่ต้องไม่ต้องพูดนะแต่ให้แสดงท่าท่าทางที่ที่ทําให้คุณรู้สึก แบบนั้นเนะี่ยเขาก็ทำท่าเหมือนนั่งกอดเขา่าเนาะนั่งแบบกลัวนั่งเอายกเข่าชันขึ้นแล้วก็กอดเข่าไว้นะเนะ่แสดงท่าทีเหมือนความกลัวก็กลมหน้าทักหน่อยพอสักพักหนึ่งนะเขาก็ถามว่าแล้วถ้าสมมติว่าคุณตุดพ้นจากสภาวะนั้นได้เนี่ยนะร่างกายคุณจะเป็นแบบไหนอืม ก็ไม่ต้องใช้ความคิดมากหนระอกอถ้าหลุดพ้นแบบไหนนอะก็แค่เอามือออกจากเขาวางเข่าสบายๆนั่งธรรมดาเออที่จริงการพ้นจากอารมณ์เนี่ยมันก็ง่ายๆแค่นี้เนาะยมเข้าใจไหมบางทีพอเวลาเราเรากลัวเนาะร่างกายของเราก็ไม่เป็นธรรมชาตินะเราก็เกรงเกงเครียดเครียด แต่พอเรารู้สึกตัวว่าเรากลัวเราจะผ่อนคลายแบบไหน hey, เราก็เพียงแค่วางวางแขนออกวางร่างกายให้เป็นธรรมชาติผ่อนคลายจิตใจมันก็ผ่อนคลายเองอันนี้รู้สึกไหมบางทีการที่เราเห็นกายในกายเนี่ยมันก็เห็นทั้งร่างกายที่เป็นรูปร่างมันก็เห็นทั้งจิตใจนะที่มันสัมพันธ์กับร่างกายด้วย เวลาเราภาวนาเราต้องคอยสังเกตดูร่างกายแล้วก็จิตใจเ น, ะนาะเราทำไปเคร่งเครียดไหมนะหน้าตาเราจริงจังไหมนะเราก็ต้องปรับด้วยตัวของเรานะนี่คือความรู้สึกตัวมันจะช่วยในการปรับปรับความสมดุลเ น, ะนาะเราเดินเราเกรงไหมนะถ้าเราเกรงแล้วก็เดินให้ผ่อนคลายขึ้นนะ หรือบงทีเราเดินแล้วมันใจรอยมันฟุ้งซ่านมากนะก็ตั้งใจสักหน่อยนะอย่าไปคิดเยอะนะคิดเยอะไม่เป็นไรแต่อย่าคิดนานนะเข้าใจหม <c oughs> บางทีเราภาวานาเนี่ยบางทีมันฟุ้งซ่านเยอะนะยิ่งเราเจริญสติแบบนี้นไม่ได้ไม่ได้แบบน้นการทำสมาธินะการปฏิบัติทำบนันทีมันมีสองแนวหลักๆโยมนะแนวหนึ่งคือ ทำให้เกิดความสงบทำให้เกิดสมาธิวิธีนั้นก็คือจะทำอะไรก็ได้ให้จดจ่อกับอารมณ์ใดอารมณ์เดียวนะเช่นให้บริกรรมอย่างเดียวนะหรือให้คิดถึงอะไรสักอย่างเดียวตลอดนะไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นนะวิธีนั้นทำนักส่วนใหญ่ได้สมาธิแต่วิธีการเติอสติของเราเนี่ย เรารู้สึกถ e mm ึงการเคลื่อนไหวเป็นหลักก็จริงแต่เราไม่ได้เพ่งจ้องไม่ได้บังคับดังนั้นบางทีมันก็จะมีความคิดแทรกเข้ามาบ่อยมากเราก็ปล่อยให้มันคิดโดยโยมนะปล่อยให้มันคิดแต่เราไม่คิดด้วยเข้าใจไหมอะไรมันคิดด้วยจักไหมเห็นไหมอะไรมันคิดมันเป็นเราคิดหรือว่ามันเป็นเรื่องของจิตมันคิด สังเกตดูเราตั้งใจที่ยกมือสร้างจังหวะตั้งใจที่จะเดินจงกรมแล้วความคิดที่มันแทกขึ้นมาอารมณ์ความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ที่มันแทกขึ้นมาเนะี่ยเราตั้งใจไหมมันใช่เราจริงไหมมันเกิดของมันเองหรือเปล่าถ้าเราเห็นพวกนี้นะเราไม่ได้ตั้งใจนะมันเกิดของมันเองนะ บังคับมันก็ไม่ได้นะน่ะเห็นไหมมันเป็นเราจริงไหมมันเผลอขึ้นมาเนาะมันเป็นเรื่องที่จิตมันคิดนะไม่ใช่เราคิดนะพอเรารู้ตัวนะแล้วเราไม่ไปคิดต่อตามมันเราไม่ไปบังคับมันเนี่ยความคิดนั้นก็จะแว บ, บไปเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยเราไม่ห้ามความคิดไม่ห้ามความรู้สึกมันจะเกิดอะไรก็แล้วแต่นะน่ะจะสุขจะทุกข์จะดีจะร้าย จะคิดสมเหตุสมผลหรือคิดไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเหนือมนุษย์มนนาเลยก็ช่างหัวมันนะการช่างหัวมันคือการวางใจว่าไม่ไปยุ่งกับมันโยมนะไม่ไปยุ่งกับความคิดนะมันจะคิดอะไรก็แล้วแต่เวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยวางไว้เนาะทุกอย่างเลยคิดเรื่องบ้านคิดเรื่องงานคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคต หรือไม่แต่คิดเรื่องปัจจุบันเนาะมันเห็นนั่นเห็นนี่มันก็อยากจะคิดมันอยากจะรู้นั่นรู้นี่หรือไม่แต่ฟังธรรมะอยู่นะมันอยากจะคิดให้เข้าใจนะ <c oughs> ก็วางมันนะอืมคือที่ว่าอย่าไปยุ่งกับความคิดเนี่ยทุกอย่างนะความคิดทุกประเภทอย่าไปยุ่งกับมันแต่เราทำหน้าที่แบบไหนก็คือแค่รู้ว่ามันเผลอไปคิดนะแค่เห็นว่าจิตมันเผลอไปของมันเองนะแล้วก็ มันจะเป็นคล้ายๆมันจะตื่นของมันเองนะอันนี้ก็เป็นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมอีกอย่างหนึ่งนะนะังั้นการรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยจะเรียกว่ารู้กายนะด้วยใจที่เป็นกลางได้ใจที่ตั้งมั่นไม่เพ่งไม่จ้องแล้วก็ไม่เผล่ก็ได้หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เรารู้ทันเวลาใจมันเผล่ไปนะหรือใจมันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาถ้าเรามีสตคิคอยรู้เนี่ย มันจะทำให้คล้ายเราตื่นออกมาจากอารมณ์นั้นอันนี้คือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราต้องฝึกเป็นเบื้องต้นเลยการปฏิบัติธรรมนะที่จะทำให้เกิดปัญญาเนี่ยคีย์คีย์เวิร์ดในการปฏิบัติ จ, จริงๆคือความรู้สึกตัวนี่แหละนะเราต้องสร้างความรู้สึกตัวให้มันถูกนะให้มันได้ชัดๆนะชัดๆนี่ไม่ใช่ว่ามันจะต้องแบบ ชัดตลอดนะหมายถึงว่ามันต้องรู้สึกตัวที่มันเห็นนะเห็นสภาวะที่ถูกรู้นะไม่ว่าจะเป็นกายหรือใจก็ดีนะเราก็เพียงแค่เ ล, ลือรู้มันเฉยๆนะไม่ต้องไปเอาชอบเอาไม่ชอบ อ, อะไรกับมันทั้งนั้นแค่รู้เฉยๆนะใจเราจะเป็นกลางใจมันจะตั้งมั่นใจมันจะมีความรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในนั้นนะ เราก็แค่รู้แบบนี้ไปเรื่อยๆความรู้ตรงนี้ที่เรารู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่แหละมันจะค่อยๆพัฒนาเนาะมันจะค่อยพัฒนามันจะค่อยแยกสภาวะต่างๆให้เห็นกองรูปเป็นแบบไหนกองนามเป็นแบบไหนนะอาการของรูปเป็นแบบไหนอาการของนามธรรมาเป็นแบบไหนเมื่อเราค่อยๆแยกไปโยมนะมันเหมือนคล้ายๆเราแยกรายละเอียดไปเรื่อยเอ้ย อันนี้ที่เราหลงเข้าใจว่ามันเป็นเราเนี่ยที่จริงมันเป็นเพียงแค่รูปแค่น้ำนะคล้ายๆเหมือนนคล้ายๆเหมือนสมมติอาหารสักจานนึงเนาะสมมุตินสมมุติข้าวผัดสักจานนึงเราเรียกมันว่าข้าวผัดแต่พอจริงๆเนาะพอเราแยกวัตถุ ด, ดิบที่มันมาทําเป็นข้าวผัดได้เอ้ยมันเป็นข้าวมันเป็นน้าําปลา มันเป็นพริกมันเป็นผักมันเป็นเนื้อมันเป็นไข่มันแยกไปออไปเอ้ยมันมันควรจะเรียกว่าข้าวผัดหรือเปล่าที่จริงมันแค่ส่วนประกอบที่มาประกอบกันเนาะเป็นรูปเป็นร่างเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆความเป็นเราก็เหมือนกันนะความเป็นเราที่แท้จริงมันไม่ได้มีนะมันมีตอนที่เราคิดตอนที่เราเผลอนะแต่จริงความเป็นเราที่แท้จริงมันไม่มีนะ เรามาปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงนะั่นะนะบางทีสังเกตไหมนะตอนที่มันสุขมันทุกข์เนะี่ยส่วนใหญ่ก็คือมันรู้สึกเป็นเราอะไรนะใช่ไหมหมอนเราสวดมนรรมต์ทำวัดเน่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนาะแต่ที่จริงบ้า ง, ง่ายๆท่านก็บอกว่า ถ้าจะว่าง่ายๆว่าเดยย่อยๆก็คือว่าอุปทานขันทั้งห้านั่นแหละคือตัวทุกข์อุปทานคือที่จริงความไม่เที่ยงเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะแต่พอเราไปยึดให้มันเที่ยงเนี่ยมันทุกข์ตอนนั้นเข้าใจไหมเรายึดอยากให้มันเที่ยงไม่อยากให้มันหวดขาไม่อยากให้มันปวดหัวอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันสบายเนี่ยอยากให้มันสุขเนี่ยมันทุกข์ตรงนั้นนะใช่ไหม ทุกเพราะไม่อยากตายนะทุกเพราะไม่อยากเจ็บทุกไม่อยากแก่หรือบางทีสังเกตไหมความคิดเราทุกเพราะความคิดตอนไหนส่วนหนึ่งก็คือตอนที่เราเผลอไปทําตามมันนะสังเกตไหมเช่นอารมณ์โกรธเนี่ยใครเคยเห็นอารมณ์โกรธมันสุขหรือมันทุกข์ลองดูมันเ <c oughs> วลาเราโกรธเวลาเราหงุดหงิดเนี่ยเราสุขหรือทุกข์ นะลองสังเกตใจปกติไหมหรือว่าใจผิดปกติไปใช่ไหมอารมณ์โกรธเป็นแบบนั้นหรือเรามีความอยากเกิดขึ้นนะ่มันจมกับความอยากเนี่ยมันทุกไหมนะเราอยากจะได้โทรศัพท์รุ่นใหม่เราอยากจะได้นะกาแฟสักแก้วนะอยู่ๆวัดบางทีกาแฟหายา ก, กนะอยากจะได้กาแฟสักแก้วหนึ่งมันอยากมันทุกไหมนะ มื่อจิตความคิดมันก็จะบอกว่าอืมถ้าได้สักสักหน่อยเนี่ยก็จะมีความสุขเนาะแต่ความสุขมันเที่ยงไหมสังเกตไหมถ้าเราได้อะไรสักอย่างเนี่ยเราคิดเหมือนว่าถ้าเราได้มาเนี่ยมันจะสุขตลอดชีวิตเลยนะ <c oughs> แต่พอได้มาสักพักหนึ่งก็เฉยเฉยแล้วนะอืมสังเกตไหมแบบเหมือนเราได้ของสักอย่างเราจะรู้สึกมีความสุขสักพักหนึ่งแล้วก็เฉยละนะหรือของนั้นพอใช้สักพักหนึ่งมันพังไปกับ แอบดีใจดนะ้วยเนาะเหมือนบางคนโทรศัพท์ใช้มาสองสาปีตกรุ่นละถ้ามันเผลอทาตกหล่นนี้ก็แอบดีใจมันจะพังหรือเปล่าะถ้าพังก็ดีนะมีเหตุผลได้ซื้อใหม่ถ้าไม่พังก็อื้ะก็ใช้มันต่อเหตุผลไม่สมควรนี่คือบางทีความสุขความทุกข์มันเกิดขึ้นในใจนะเพราะเราไปยึดมัน หรือบางทีเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปทำอะไรต่างๆนะบางทีมันจะเกิดสิ่งที่ฟุ้งซ่านขึ้นมาในใจเยอะมากนะคิดนั่นคิดนี่สารพัดนะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างสารพัดแล้วระวังว่าบางทีบางทีนักปฏิบัติธรรมบางทีบางคนก็ติดดีนะติดดีอามาเองก็เคยเป็นเช่นนะั้นบางทีมันคิดคิดไม่ดีอะ่ะคิดเหมือนเราไม่เป็นพระนะคิดได้ยังไงก็ไม่รู้ แต่บางทีไอ้ความคิดมันก็เป็นเรื่องที่มันเกิดของมันเองนะแต่พอเราไม่รู้ตัวเราก็จะไปคิดว่าเราคิดไม่ดีเข้าใจไหมเราคิดว่าเราคิดไม่ดีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเป็นคนไม่ดีเราทำไมเป็นแบบนี้พอคิดแบบนี้นะมันก็เลยทุบแต่ถ้าเราเพียงแค่ตระหนักรู้ไอ้มันมันเป็นเพียงแค่ความคิดมันคิดของมันเองมันเป็นเพียงแค่อาการของจิตที่มันฟุ้งซ่านของมันเอง มันเป็นเพียงแค่อาการของกิเลสที่มันโผล่ของมันเองนะไม่ใช่เราอยากจะเป็นแบบนั้นแต่มันเป็นของมันเองพอเราเห็นว่ามันเป็นของมันเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความโกรธความโลภความหลงความคิดความรักความชังอะไรต่างๆนะเกิดขึ้นมานะพอเราแค่เห็นว่ามันเป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกนะก็คือว่าที่จริงกิเลสอ่ะมันไม่ใช่ตัวตัวทำให้อ่าให้เราทุกข์นะ แต่อุปทานที่เราว่ายึดว่ากิเลสมันเป็นเรานี่ยแหละมันคือตัวทุกขนะ์ทุกคนก็มีกิเลสนะโยมนะแต่ถ้าเราไม่ไปยึดกิเลสไม่ไปทําตามกิเลสนะ่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเหมือนมีคนเคยเคยถามหลวงปู่ดูลนะว่าหลวงปู่ดูลยังมีความโกรธอยู่หรือเปล่าหลวงปู่เขาบอกว่ามีแต่ไม่เอานะเราอาจจะมีความโกรธอยู่ อาจจะมีความหงุดหงิดอยู่อาจจะมีความรักความชังอยู่ลองดูสิเออมันมีก็ได้นะแต่ไม่เอานะมันจะคิดก็ได้นะแต่ไม่เอานะมันจะสุขก็ได้นะแต่ไม่เอามันจะทุกข์ก็ได้นะแต่ไม่เอาเอาอะไรเอาเพียงแค่ความรู้ตัวไปเรื่อยพอรู้ว่าเป็นเช่นนั้นนะมาสร้างส ต, ติตรง น, นี้ก่อนสร้างความรู้สึกตัวในการดูทุกอย่าง ให้สบายๆไปเรื่อยๆก่อนเราจะเห็นเนีว่าที่จริงเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมันเป็นเพียเพียงแค่ว่ามันแสดงเฉ ย, ยๆนะพอเราเป็นผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นเออที่จริงมันแสดงเนาะเหมือนเราไปดูหนังดูละครดูโทรทัศน์เขาแสดงเรื่องต่างๆเน่ยถ้าเราไม่เผลอเข้าไปอินใช่ไหมเราก็ไม่ต้องร้องไห้เสียใจตามตามบทละครที่เขาแสดงเนาะถ้าเราเป็นผู้ดูจริงๆเนี่ย มันจะเห็นว่าไอ้ตัวแสดงมันก็เป็นเรื่องของตัวแสดงเนาะแต่เราถ้าเราเผลอไปเมื่อไรเนี่ยเราไปอินกับเรื่องราวเราไปรุ้นนะเราไปวิพากษ์วิจาร์เราไปชอบเราไปไม่ชอบเนี่ยเมื่อนั้นแหละความสุขความทุกข์ความมันมันก็เลยเกิดขึ้นแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าไอ้ ه, ถ้าทำเช่นนั้นชีวิตเราจะไม่จืดชืดหรอ <c oughs> ดูอะไรก็ไม่ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่เสียใจไม่อินไปใดหรอนะ ธรรมชาติเวลาเราดูทุกอย่างนะโยมดูหนังดูละครหรือว่าคุยกับใครอ่ะมันเผลอเข้าไปอินทั้งนั้นแหละนะแต่ชีวิตจริงเราตัดกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้โยมนะเหมือนเราปฏิบัติธรรมเนะ่ะบางทีเราก็เผลอเข้าไปอินกับความคิดของเราเองนั่นแหละมันห้ามไม่ได้หรอกนะนะนะแต่การมีสติจะทำให้เราคล้ายๆอินลงไปสั้นลงนะอันนี้คือความก้าวหน้าอย่างหนึ่งของการภาวนาเราจะรู้ได้ไงว่าเรา ภาวนาแล้วเราก้าวหน้าหรือเปล่าก็เนี่ยความรู้สึกที่เราเผลอเข้าไปนี่แหละมันจะมันจะสั้นลงนะเราเผลอเข้าไปอินกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะเช่นหนังที่เราดูข่าวที่เราอ่านนะหรือว่าเรื่องที่เราคุยกับเพื่อนหรือความคิดที่มันผุดขึ้นมาในใจของเราเองนี่แหละเราเผลอเข้าไปอินกับมันสั้นหรือว่ายาวอันนี้ มันจะมากจะน้อยไม่สําคัญนะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสั้นๆมันเราปฏิบัติธรรมเราสังเกตไหมว่าเอ๊ะมันก็รู้สึกการเคลื่อนไหวอยู่มะแต่บางทีมันก็คิดแทรกขึ้นมาเยอะนะน่ะแต่สังเกตไหมพอเรากลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวความคิดมันก็แบบสั้นๆเนอะน่ะแต่ถ้าบางครั้งเราลืมตัวนานๆเนี่ยยกมือเป็นหลายนาทีนะแต่ก็ไม่รู้ตัวเนอะใช่ไหมสังเกตไหม หรือบางคนอาจจะดลงง่ายตอนที่ทำนอกรูปแบบนะตอนเรายกมือทัานจังหวะนี้ก็อาจจะความคิดไม่ยาวแต่พอไปกินข้าวเออกินจะหมดจานแล้วคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อยลืมลืมรู้สึกตัวกับการกินข้าวใช่ไหมหรือบางทีเราไปทำเอียบบทที่เราคุ้นเคยมากๆไม่ต้องใช้ความตั้งใจมากเลยเนะี่ยเช่นเราแปรงฟันเหมือนนะเราแปรงวันละหลายรอบนะ แต่เราก็แปลงจดความลืมตัวเนา ะ, ะบีบยาตีฟันแปลงถูกตามหลักอนามัยนะแต่ใจไปอยู่ไหนไม่รู้ก็มีนะใช่ไห ม, มเราอาบน้ำก็เหมือนกันบางทีมันตามความเคยชินนะปล่อยให้ใจมันลอยปล่อยให้มันทำของมันเองเราลืมตัวอันนั้นเวลาภาวนาเนี่ยเราทําในรูปแบบเนี่ยมันจะช่วยให้เราคล้าย เผลอไปสั้นๆเพราะว่าเรามีรูปแบบเนาะเรามีกรรมฐานนะแต่พอเราทํานอกรูปแบบเราก็ต้องพยายามระ ล, ลึกรู้อยู่ บ, บ่อยๆนะนะเป็นเรื่องที่สําคัญนะเราจะทานข้าวก็ดีเราจะเดินเข้าห้องน้ําก็ดีนะหรือที่จริงนะพระเจ้าท่านสอนไม่แต่ว่าแม้แต่ถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะนะก็ให้มันรู้สึกตัวนะ สังเกตไหมเคยสังเกตไหมเช่นบางทีเราก็เบ่งมันมากเกินไปอ่ะมันทุกไหมใช่ไหมเราปล่อยให้มันสบายสบายได้ไหมใช่ไหมเวลาปล่อยปัสสาวะโอจระมันก็มีความพอดีของมันนะใช่ไหมอันนี้คือเราไม่ทําให้ร่างกายมันทุกไม่ทําให้ใจมันทุกนะแต่ถ้าเราดื่มตัวเนี่ยเราก็เคยเครียดไปกับมันนะเราก็จะตั้งใจเกินไปแม้เป็นเรื่องทุกเล็กน้อยนะแต่ผู้ที่มีสติ ย่อมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดปกติไปแต่ถ้าสติเรายังไม่พอเราก็เห็นว่ามันก็เรื่องธรรมดาเนาะมันก็เครียดแบบนี้แหละมันก็ทุกข์แบบนี้แหละมันก็ทำแบบนี้แหละมันก็ชินไปแต่พอเราสติมากขึ้นเนี่ยอียาบทใหญ่ๆก็ดีอียาบทเล็กน้อยก็ดีเราก็จะสังเกตเห็นว่าเออมันพอดีไหมหรือบางอย่างเราก็ทาบางอย่างนะเราก็ไม่รู้ว่า เราทำด้วยความสะใจนะเช่นเราพูดเราก็ไปพูดเรื่องคนนั้นคนนี้สนุกสนานหั ว, วเราะเราดื่มดูใจของเราว่าเฮ้ยใจเราเข้าไปอินใจเรามันสนุกกับคำนินทาสนุกในการเสียดสีคนอื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะหรือบางทีเราก็คิดว่าพูดเล่นๆมันสนุกดีนะมันเพลินดีแต่เราก็ดื่มตัวว่าเราขาดสติไปแล้วมันมันดงไปแล้วเนะนี่ยไอเดียบทพวกเนี้ยนะ มันหรือบางทีเรื่องความคิดคิดไปสักหน่อยแต่มันสนุกดีนะออ ม, มันก็เผลอให้เราไปคิดอีกนะ่ะนะอันนั้นเราห้ามความเผลอไม่ได้เนาะแต่เราพยายามมีสติกลับมาให้มันได้เยอะๆนะความรู้สึกตัวคือการกลับมาสู่ความเป็นปกตินะความเป็นปกติก็คือการที่เราว่ากายวาจารเป็นปกตินะเรียกว่าศินนะ จิตใจเป็นปกติเรียกว่าสมาธิหรือว่าปัญญาก็ได้นะการที่กลับมาเป็นปกตินี่แหละคือจะเรียกว่าเป็นจุดหมายในการปฏิบัติธรรมก็ได้เนาะเพราะว่าความเป็นปกติก็คือสภาวะที่มันไม่ทุกข์นะสภาวะที่ทุกข์ก็คือมันผิดปกติไปกลับมาหาความเป็นปกติของกายกลับมาหาความเป็นปกติของใจนี่แหละนะ คือจะเรียกว่านิพพานก็ได้เนาะนะนี่พานก็คือความไม่ทุกข์คือความสงบสุขนะที่แท้จริงนี่แหละเราลองกลับมาหาดูตรงนี้นะโยมนะการภาวนาเนี่ยแหละพยายามกลับมาทําให้ร่างกายมันเป็นปกติทําให้จิตใจเป็นปกตินะมันเป็นของมันนะมันไม่ใช่ของเรานะทำนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเป็นปกติที่สุดนะ ว่าเราจะเป็นการยกมือก็ให้มันผ่อนคลายเป็นปกติของเรานะเราจะเดินก็เหมือนกันนะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ให้มันอย่าฝืนนะจุดสําคัญคืออย่าฝืนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าขี้เกียจที่ค้านนะครับว่าไม่ฝืนนะก็คือเราก็ทําความเพียรไปแต่ทําให้มันจังหวะให้มันพอดีเดินให้มันผ่อนคลายพอดียกมือให้มันผ่อนคลายพอดีนะ หน้าตาให้มันผ่อนคลายพอดีเหมือนบางคนเคยเล่นโยคะเนาะบางทีเราครูโยคะก็จะบอกให้มันทําแบบให้มันพอดีนะอย่าฝืนเกินไปนะบางทีก็ต้องพยายามนิดนึงแต่ก็อย่าฝืนจนทั้งร่างกายมันมันเสียสมดุลนะกล้ามเนื้อมันอักเสบมาเนี้เนาะคือให้มันพอดีนะพอดีเรายกมือก็ให้มันพอดีนะเดินก็ให้พอดีกินก็ให้พอดีนะ ให้มันเป็นธรรมชาตินะแต่ที่สำคัญก็คือว่าคอยมีสติรู้ทันด้วยเวลามันเผลอไปนะว่ามันหลงไปนะก็กลับมาหาสิ่งที่เราทานะหาปัจจุบันที่กาลังทำอยู่ใจมันก็จะกลับมาเป็นปกติของมันเองนะมันก็ผิดเผลอหลงไปบ้างแล้วก็กลับมาหลวงพ่อคาเขียนก็บอกที่จริงภาวนาไม่มีอะไรมากนะมีแต่รู้กับหลงท่านนั้นแหละ ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เลยนะถ้าเรารู้ตัวมันก็ไม่หลงตัวถ้าเราหลงไปมันก็ไม่รู้ตัวแค่นั้นเลยนะนั้นที่จริงถ้าชีวิตนี้มันมีแค่รู้กับหลงเราจะเลือกทางไหนนะถ้าเราเลือกทางในการฝึกตัวเองบ้างมันก็จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆื่อยนะรู้บ้างนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกสติเลยนะชีวิตเราก็จะหลงทั้งวันหลงทั้งคืนหลงทั้งปีหลงตั้งแต่เกิดจนทังตาย ตายไปแล้วก็อย่าคิดนะว่ามันจะหายลงนะ <c oughs> ก็ดองมาไปเกิดอย่างอื่นใหม่นะก็ดองไปเรื่อยนะเวียนว่ายตายเกิดนะวัฏสงสารมันมันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นนะถ้าเราไม่ทําให้มัน เ, เกิดการตื่นรู้ขึ้นมาเนาะการตื่นรู้ขึ้นมาจะทําให้เราลดนะตอแรกก็ลดดงไปเ ร, เรื่อยในการหลงเนาะลดภพภูมิเรื่อยไม่ใช่เป็นเรื่องของ ภพภูมิเกิดใหม่อนาคตนะลองกลับมาดูที่กายที่ใจในปัจจุบันเนี่ยการลดภพภูมินะลดความโกรธลดความโลภลดความหลงได้เนี่ยมันทําให้มันสั้นลงลดลงไปเรื่อยๆนั่นแหละคือใจกลับมาเป็นปกติมากขึ้นแล้วนะก็ให้ญาโยมได้พยายามนะลองตั้งใจฝึกดูเนาะเรามีเวลามาอยู่วัดไม่นานนะก็ให้เราได้ทําสิ่งนี้ให้มากที่สุดเนาะ การงานทั้งโลกนะความรับผิดชอบ ต, ต่างๆที่เราทำนะเราทำมามากพอสมควรแล้วนะวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปเราลองให้เวลาในการฝึกกายฝึกใจเราให้มันเป็นกลับมาหาความเป็นปกติให้มากที่สุดเนาะแ้าเราก็จะเห็นว่าที่จริงมันไม่ใช่ร่างกายนี้จิตใจเนี้ยมันไม่ใช่เรานะบางทีก็พูดว่าเป็นเราเพราะว่าสมมตินะแต่ให้ใจเราอย่าไปยึดถือ เอาแบบสมมุติเนาะมันมีความจริงแบบสมมุติมันมีความจริงแบบวิมมุดนะความจริงแบบปรนละมันะให้เราพยายามกลับมาหาความเป็นปกติเราจะเข้าถึงความจริงที่เป็นแบบวิมุติก็คือความหลุดพ้นจากอุปทานนะในการยึดมั่นถือมั่นในในขันนี่แหละถ้าเราสามารถเข้าถึงตรงนี้ได้เนาะเราก็จะเป็นชีวิตที่เป็นอิสระชีวิตที่มีความสุขที่แท้จริงนี่แหละ การภาวนาเนี่ยมันจะทำให้เราเกิดคุณค่าตรงนี้นะนะก็ขอให้พวกเราทุกคนเนาะจงตั้งใจทำความเพียรแล้วก็สามารถเข้าถึงนะความจริงบีมุสก็คือความหลุดพ้นในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทิน